เราอุทิ له من الشيطان ا ل ر น ي รัดีบ ل สมิลลาฮิรราะห์มานุรรห لله ن นน์ะ و ر ن س ت ع ي ن ه م ور-نستقن السحلى و ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا ما ي ه د ه الله فلا مضل له وما يدل له فلا هاجله الله ملك الحمد حتى ترضى و ل ك ا <ت> ل <ض> ح م د إذا رضيت و ل ك ا ل ح م د بعد الرضا و ا ش ه د و َ لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآكين وشهد وا أن نبينا م ح د م د ا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين ا ل الحق لجسم رعلتين كله ولوكن الكافلون وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة و ش ه د في لحقه هذه ف ج ز ه الله أن وعن أمت خير ما جازه ن ب ي ا عن أمت أما بقى لقر قال الله تعالى في كتاب الكريم อัลมนัจญัลลฮฺ عينين ولسان و ش ف านที่รักที่สุครับเรายังคงคุยกันอยู่ในช่วงของอธิบายในสุระอัลเบลดืองเมืองนี้นก็หมายถึงเมืองนครมักกะี่าที่รักกิ่งครับเราได้พูดคุยกันในย่ที่พอร์ลพูดถึงว่าอัลัมนัจญัลลฮฺ عينين เราไม่ได้ทําให้พวกเขาเหล่านั้นมี ตาสองข้างกันนั้นหรือแล้วไม่ได้ทําให้เขานะ่ะมีลิ้น1ลิ้นแล้วก็2อิ้วฟีบากแล้วเราไม่ได้นําทางเขาสู่หนทางทั้ง2องหนทางที่ถูกต้องแล้วก็หนทางที่นําไปสู่เส้นทางที่อลอกรอดอยูกระนั้นหรือพี่น้องที่รักครับประเด็นที่เรายังคงพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่มุสลิมหลายๆท่านนะครับให้ความสําคัญมากนั่นก็คือว่าตกลงตอนเนี้ยพวกลอสซุปฮาฮูอาตาละ่ะยังรักชัอยู่ไหมหรือว่า มีวิธีไหมที่จะทําให้ฉันได้สบายใจที่ทําให้ฉันมั่นใจได้ว่าอนะัลลอฮ์น่ะยังรักฉันอยู่เราพูดคุยกันมาแล้วประมาณหสัญญาณ5สัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าพระมลอสุบฮานูวัตานั้นรักเราเราพูดถึงตั้งแต่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าในครอบครัวของเรานะ่ยมีความอ่อนโยนให้แก่กันบนพื้นฐานของศรัทธาย้านะไม่ใช่แค่อ่อนโยนให้แก่กันอ่อนโยนให้แก่กันบนพื้นฐานของการศรัทธาขออัลลอฮ์ซุบฮานอาานะูอัตานั้นก็แปลว่า เป็นครอบครัวที่อัลลอฮ์รักรักแต่ทั้งครอบครัวก็คือความช่วยเหลือลกันแล้วก็เราก็คุยกันมาเรื่อยๆครับผมใช่ตอนนี้ครับเรามาประเด็นสําคัญเรามาประเด็นสําคัญนั่นก็คือประเด็นที่6สบเนื่องจากคําถามของพี่น้องจากตอนที่แล้วด้วยนะครับผมเนื่องจากมีพี่น้องที่ว่าถามอาจารย์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนเนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราหรือว่าอัลลอฮ์กำลังลงโทษเราอยู่พี่น้องที่รักยิ่งครับ อธรรมเุและขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านใดก็ตามที่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ที่ว่าตอนนี้อัลลอฮ์ลงโทษฉันอยู่หรือว่าอัลลอฮ์กำลังรักฉันอยู่แล้วอลกาลังทดสอบฉันอยู่พี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นบททดสอบหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลงโทษนะั้นสำหรับมุสลิมเราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเรายังมีสติอยู่ทั้งหมดนั้นล้วนแสดงให้เห็นถึงความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราครับ พี่น้องได้ยินถูกต้องครับผมผมกําลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ก็มาจากความรักของพระองค์หรือไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจากอ AH, ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาที่ลงโทษเฉพาะในดุนยามันก็สแสดงถึงความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราเพราะนั้นท่านใดที่รู้สึกตัวว่ากาลังโดนอัลลอฮ์ลงโทษอยู่แต่การลงโทษนั้นเรายังมีชีวิตอยู่เรายังคิดได้แล้วมันทําให้เรากลับหาอัลลอฮ์ขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องแล้วท่านอบับดุลเบี๊ยมุสลลัลสลามได้พูดไว้ครับว่า ใ م เรื่องของอิม م มอ a a d ราตนะครับจาก i n رضي الله عنه و ر صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معسيه ما يحب فإنما هو ا س ت د ا ر ا ثم تلا رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم فلما نسو ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فره بما أ و أخذهم ا خ ذ ن ا, ذ ة, إ ه م, م ب فاذاهم ب س و ن في นี้ครับ ในฮะดิษบอกเนี่ยเจ้นนานบีมูฮัมหมัดสุลลมาลมได้พูดให้เราได้รู้กันครับว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่ว่าอัลลอฮ์ลงโทษเราขอให้รู้ไว้ว่านั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่คนที่อัลลอฮ์ไม่รักเป็นอย่างไรครับคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเจานาบีมูฮัมหมัดสุลลามได้บอกว่าฮะดิษว่าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นบ่าวคนหนึ่งเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นบ่าวคนหนึ่ง ที่ว่าเขาเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนตอแล้วเขาทําสิ่งที่ฮารอมเขาทําสิ่งที่ชั่วร้ายเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไหรก็ตามนะที่คุณเห็นบ่าวคนนึงที่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วไม่สํานึกผิดเลยแล้วคุณก็พบว่าเขาเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีงามในดุนยามีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ความร่ํารวยมีความหล่อเหลามีความสวยงามมีรูปทรงที่ดีหรือว่ามีความไปอยู่ที่สะดวกสบายมีความไปอยู่ที่มีความสุขได้ไปเที่ยวทุกที่คือดูแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเขามีแต่ความสุขยากล่ะ ละหมาดเขาก็ไม่ละหมาดค้าขายเขาอยู่แต่สิ่งที่ฮารอมหรือว่าความชั่วร้ายเขาก็มีเยอะแยะยาวล้อทำไมดุนยาเขามีความสุขเหลือเกินพี่น้องครับชานบีบอกว่าเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราเจอคนประเภทเนี่ยฝ่าฝืตนต่อดล้อแต่ในขณะเดียกันเขาได้ดุนยาทั้งหมดชานบีมอสลอซาร์มบอกว่านั่นแหละเรียกว่าอิสติดราอิสติดราอิสติดราคื อ, อ ท่านบบีอุ ส, สรรมได้ออิยาุรอ่านหลังจากที่บอกว่านี่คือการอิสติโดรสหรือว่านี่คือการใส่เข้าไปให้มันเป็นการขัดเป็นการขัดขวางให้กับเขาขัดขวางยังไงครับท่านเบบีอ่านอิุรอานว่าฟาลามานาซูและเมื่อพวกเขาหลงลืมมาดุกิรูบิฮีเมื่อพวกเขาเหล่านั้นหลงลืมสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตือนพวกเขาไว้ หลงลืมว่าเราได้เตือนว่าโลกหน้ามีจริงนะหลงลืมที่เราได้เตือนไว้ว่าการลงโทษของเรามันน่าสะพรึงกลัวนะหลงลืมที่เราเตือนว่าดุนยามันเป็นเพียงแค่บททดสอบชั่วคราวเพราะว่าบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาหลงลืมได้ยินเคยรู้เคยเข้าใจแต่หลงลืมไปแล้วฟาตะ์เนาะอะไลฮิมอับวาบุลิชัยเราจะเปิดประตูไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยา ทำอะไรก็รู้สูมือเตอิบไปหมดทําอะไรก็เหมือนกับการค้าขายธุรกิจก็ขึ้นชีวิตในเรื่องความสุขในเรื่องความรักอะไรมันดีไปหมดพวกเราบอกว่าเราจะเปิดหนทางสู่สิ่งดีงามของดุนยาทั้งหมดให้กับเขาให้หมดเลยฮัตเตออีเดฟรีฮูจนกระทั่งว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยหลงและเลินกับสิ่งเหล่านั้นหลงและเลินกับความสุขของดุนยาโอโ้การกินของที่อารอมซะอร่อยเหลือเกินการยุ่งกับธุรกิจ ที่มันฮารอมเนี่ยทรัพย์สินก็ได้มากมาไหลามาที่มาบ้านช่องกวาใหญ่โตธุรกิจก็เติบโ ต, ตไปนเรื่อยๆคู่ครองก็ดีลูกหลานก็ดีมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อพวกเขาหลงและเลินกับสินเหล่านั้นอาคัสเนหุมบักัตันฟาอีซาฮุโมบริซูนเมื่อนั้นเราก็จะกระชากเขาออกมาจากทั้งหมดที่เขามีแล้วในเวลานั้นแหละที่พวกเขานั้นจะตะลึงผุเพื่อนแล้วก็จะช ง, งักไปเลย หลังจากที่ว่ามีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาพ่อล็อกกระชาเขาออกมาจากดุนยาให้เขาเสียชีวิตปุ๊บให้เขาเจอคําถามว่ามารบับลูกแมาดีลูกแมันเด บ, บีอยู่ใครคือบานของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าใครคือศาสนาของเจ้าเขาได้บอกว่านาลาลาติหมายความว่าใครก็ตามที่ทําความชั่วแล้วไม่ถูกลงโทษเลยในดุนยาแปลว่าคนคนนั้นเอาละรังเกียจที่สุดแล้ว ก็คือไม่อยากให้เขาได้รับความยิ่งแย่อะิเแมแต่นิดเดียวในโลกหน้าก็เลยให้มันในดุงยาให้มันหมดไปเลยซึ่งในที่นี้เราไว้ครับอินัลลอฮฺอัลลอลลลลวะลาอิดร่าบิอับดยั่นจลอูกูบะตามบิฮว่อิดราลาบิอับดชารันอัมสกะะลฮิดัม به หฺฮะตาญุวาฟิยัมลกิยามักะนั่นอาอรเจลลฺบิมัอลฮสัมเดบาว่าเมื่อไรก็ตามที่อัลลอยากจะให้บา ลงโทษด้วยกับความกิดบาปที่เขาทําทําไมครับอัจฉริยะเร่งรีบลงโทษก่อนเพื่อให้มันจบคดีความกันแค่ในดุนยาเหมือนกับเราสังเกตดูบรรดานบีต่างๆบุคคลที่เอารัสรักมากที่สุดถ้าทําอะไรผิดลาดไปปุ๊บเอาล้อจัดการตั้งแต่ดุนยาเหมือนกับบรรดาซอบาทำอะไรผิดพลาด ป, ปุ๊ญญ บ, บ, บปุ๊บเราก็จัดการตั้งแต่ในดุนยาเพราะอะไรครับเพราะรักเพราะรักเหมือนกับนบียูนุสครับหลังจากที่ว่า ท่านนั้นได้แล้วทิ้งชาวเมืองโดยพละการอย่างที่พวกเราทราบกันก็พวกเราก็จัดการให้ท่านนั้นก็ถูกปลาคืนไปเป็นการลงโทษเพื่อให้บาปทั้งหมดที่ท่านมีมันเล็กน้อยมากๆแต่ให้มันจบไปในดุลยาเช่นเดียวกับมัจดาซอบา ท, ที่วันนี้ทัาบหรัวอะไรก็ตามมันจะพบว่าพวกเราจัดการตั้งแต่ในดุลยาเช่นเดียวกับท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่าท่านพลาดนิดเดียวในเรื่องที่ว่าทำหน้าบุ่ดบึง้งพวกเราเราก็ประทานอายะห์อุรตร์มาเพื่อ เป็นการเตือนสติท่านเลยมีมอมัสละวองมาเรียวัสสลัมวันนั้นผมจึงบอกตอนแรกครับพี่น้องที่รักครับพี่น้องไม่ต้องไปจังหววนว่าตกลงที่ชั้นโดนมันเป็นบททดสอบหรือเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าบททดสอบกับการลงโทษต่างกันอย่างไรทีนชาคับวลาแต่ตอนนี้อยากจะพูดให้พี่น้องได้สบายใจกันว่าไม่ว่ามันจะเป็นบททดสอบหรือมันจะเป็นบทเป็นการลงโทษถ้ามันทําให้พี่น้องมีสติ ถ้าทําให้พี่น้องนั้นกลับมาหาลอสพี่น้องขอให้ดูเลยว่านั่นแหละคือความรักของลอสุภาพอหัวตาลาที่มีต่อเรานั่นคือความรักของลอสที่มีต่อเราเพราะตอนที่แล้วเราบอกว่าเมื่อลอรักใครลอสจะทดสอบคนนั้นมากตอนนี้คือเมื่อลอรักใครถ้าเขามีสิ่งผิดบาปลอสจะจัดการเคลียร์บัญชีตั้งแต่ในดุนยาตั้งแต่ตอนนี้ครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวทักกับพี่น้องมาเพราะเมื่อกี้ตอนแรกข้อความยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็ แต่นี้มีข้อความขึ้นมานะครับคุณดาวดาวนัสรามา ก, ก็วาริคุณสลาบบารอบตุลเลาะบารอกาตู น, น, นะครับผมแล้วก็พี่น้องคุณยะยาชัดระเบียบนะครับก็บอกพร้อมเรียนรู้มาช้าแล้วบอกว่ามีอีกอีกมากมายที่ต้องรู้แล้วก็ที่ยังไม่รู้เช่นกันครับเหมือนกันครับผมมีอีกมากมายที่พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้จริงจคุณโสระนีนะครับบอกภูเก็ตชัดเจนและทํานรัชจักรยาคุณละคารันก็วิยาคุมบารักกอรฟิกุลครับแล้วก็คุณมออัศสุธิลักสลามมาก็วาริคุณสลาบบารอบตูลเลาะบารอกาบ จะซาคุณล้อคาครับเรามาดูการทําตนให้ลอลลารักกันต่อนะครับผมทีนี้ครับพี่น้องที่รักยิงครับเยันถึงตรงเนี้ยพอลับเตือนสติพวกเราหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราพบเห็นคนที่เหมือนกับเขาจะได้ดึงยาเหมือนเขาจะมีความมั่งคัง่งเหมือนเขาจะมีความสุขในดุงยาพอลลับได้เตือนสติเราไว้โดยเฉพาะผู้ไปเสียศรัทธาโดยเฉพาะคนบางคน ถึงกับมีคำพูดไว้ยังไงครับทำดีได้ดีมีที่ไหมที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไหม บ, บางคนพูดอย่างนี้เลยคือรู้สึกว่าทำไมคนทำชั่วหน้าที่การงานมันก็ไปดีทำไมรู้สึกครอบครัวก็ดูดีทำไมรู้สึว ก, กสว่าคู่ครองเนี่ยปรสวยและเกินก็ร้อนและเกินทำไมรู้สึกชีวิตมีแต่ความสุขทำไมทำไมทำไมทำไมฉันเป็นบ่าวขอล้อยาวล้อทำไมฉันเดือดร้อนทำไมฉันทรมานพี่น้องครับเราบอกว่าไงครับ فلا تجبك فلا تجبك อ م و uh um uh um ah um ا ลข uh um um องวกลา่ใชองพวกเ า, ววาแต่พระเ้าริตุองการลงโทษพวกเขาในชีวิตน้าวกเขาไล้ักวกองพระเจ้าพระเจ้าทต้องการจะลงพี่น้เพทีก่รักค์ามรูของพะเจ้าะเรงตระงพวกเขาในชวิต้เพราว่าไม่้ัว้งเจ้าพระเจา้าทรงต้องการจะลงโทษพวกเขาน้เพิามพวกเบารจักยวามบั้ิของพระเจ้าพระเาทร้องรจะงพวกเขานชีวนี้เพราวกเขาไู่ักา้นกขเจ้ ไม่จำู้เขาเนี่ยมันออกจากสัจสลาไปแล้วแต่แล้วผู้สิมจะมันออกแล้วแล้วทำไมมันรวยทําไมมีแต่รถทําไมมีบ้านทําไมครอบครัวดูมีความสุขเพผมบอกไม่ต้องไปหลงใหลกับทรัพย์สินเหล่านั้นเพราะผู้สิ่บางทีก็มีความสุขไปดูโอ้ดีจังเลยนะทําไมมีความสุขโอ้เขาชีวิตครอบครัวเขามีความสุขโอ้ทาไมดีทําไมชอบไปติดตามเขาพอติดตามปุ๊บแล้วก็เปลี่ใจก็แบบรู้สึกอิจฉา แล้วบางทีแก็รู้สึกเปรียบเทียบฉันเป็นมุสลิมนะทําไมฉันไม่ได้แบบนั้นพวกเราบอกว่าอย่าได้ไปประทับใจหรือว่าหลงไหลอะไรกับทรัพย์สินของเขาหรือลูกหลานของเขาเลยนั่นนะ่ะพวกเลาต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยกับสิ่งเหล่านั้นนะอุซบินลายมินดาลิของเราคุ้มครองพวกเราการที่เราให้สิ่งดีๆงามๆกับคนที่ไม่คู่ควรในดุนยาเนี่ย หในเหตุผลนั้นพวกเราบอกในยะนี้ว่าเพื่ออาวะจะได้ลงโทษพวกเขาด้วยกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรครับยิ่งมีทรัพย์สินมากสิ่งที่ถูกสอบสวนมันก็ต้องมากยิ่งขึ้นยิ่งมีลูกหลานมากสิ่งที่ต้องถูกสอบสวนก็ต้องมากยิ่งขึ้นทําอย่างไรบ้างกับลูกหลานสั่งสอนเขาดีไหมให้เวลากับเขาไม่ให้สิทธิ์กับเขาไม่ให้ความช่วยเหลือเขาไม่ให้ความอบอุ่นแก่เขาไหมมีการสอบสวนมหาสารที่รออยู่ในเรื่องของลูกหลานเช่นเดียวกับทรัพย์สินที่พระวอ แล้วก็ถ้าเราีวสัดสดุทรัพได้เตือนเราไว้ในหลายที่เหลือเกินว่าแม้แต่เพียงอนูเล็กนิดเดียวเราจะได้เห็นมันถ้าเราได้รับจะต้องถูกสับส่วนในวันนั้นซึ่งพวราคาในตลาดว่าอ่าไรครับว่ากาแฟบิลล์สิกเกลลียวไหมอะลรแก่ภาษีบาซึ่งเมื่อถึงวเวลาวันเกียร์มาเนี่ยพอเพียงแล้วที่ตัวของเจ้าเองจะตัดสินตัวของพวกเจ้าเองคือต่อให้พ่อเลี้ยงไม่ต้องบอกว่าทําผิดทําชั่วอะไรมาบ้างพวกเราแต่และคนก็ย่อมรู้ดีแก่ใจเราเองเพราะนั้นพี่น้องครับ พวกเราเก่าในคุรานว่าทรัพย์สินนั้นเป็นฟิตรนะลูกหลานก็เป็นฟิตรนะฟิตรนะเราย้ําแล้วหลายครั้งว่าฟิตรนะไม่ใช่หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราเลือกรับมือผิดวิธีมันเป็นไหายานณะสําหรับเราทั้งดุนยาแล้วก็อเครอสบางคนไม่ต้องรอถึงไอเครอสโดนตั้งแต่ดุนยาแล้วมีทรัพย์สินเยอะไม่รือมีความสุขบางทีแขวนคอตายครับก็มีครับคนที่ว่าเป็นอรชริยะระดับอชรอชริยะ มีทรัพย์สิสนเริ่มรวยมั่งคัง่งแต่ผลสุดท้ายไม่ได้ทำลายกับชีวิตอของแข่ละคตายมีไหมมีครับคนที่เลือกทำลายชีวิตตนเองหรือว่าคนที่ว่าไม่มีความสุขกับสิ่งที่คนทั้งโลกอาจจะคิดว่าเขามีความสุขฟ้าลงตัวอาชีพกับอัมวาลุหอย่าได้ไปหลงใหลได้ปื้มอย่าได้ไปประทับใจกับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมีเพราะอลเราต้องการจะลงโทษพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ในดุลมยาแล้ว เพราะนันพี่น้องครับตอนนี้เรามาดูกันว่างั้นตกลงมันมีข้อแตกต่างกันไหมระหว่างบททดสอบกับระหว่างการลงโทษเผื่อพี่น้องอยากจะรู้แล้วก็จะได้ตรวจสอบตัวเองว่าตอนนี้เราเจออะไรอยู่จะได้ขอไปโทษได้ตรงกับเหตุการณ์พี่น้องที่รักยิ่งครับศัพท์ที่ว่าพวกเรามักจะเจอกันในบ้านเราเราก็จะมีคําว่าบาราใช่ไหมครับผมบาลาบางคนเรียกบารอบาราบารอแล้วก็บททดสอบแล้วก็การลงโทษมีการใช้คําที่ว่าค่อนข้างจะคลุมเครือเยอะ ภาษาละครับคำว่าการทดสอบเนี่ยคําการว่าคําทดสอบถ้าพี่น้องอ่านในอัลกุรอานเมื่อไหร่ที่เจอคําว่าอิบตะลาอิบตะลาอิบตะลาจะแปลว่าทดสอบเหมือนกับในฮะดิษอินนั่ลลอฮะลาหมาอาฮฺบบะเขาอิบตะลาฮุมเมื่อพอรอดรักกลุ่มชนใดพอรอดจะอิบตะลาฮุมจะทดสอบพวกเขาเนื่องคือการทดสอบ ت ييك أن وإذ بطل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني شاعرك للناس إماما قاله من ذريتي قال لا جنال أهل الظالمين وإذ أ ن ا ل ب ي ت مثابة للناس وأمنى واتقدوا من مقام إبراهيم مصلى واحدنا إلى إبراهيم إسماعيل أن طهر ا بيته للطائفين والعاكفين و ر و ق ي السجول إلى آخر الآية ص ا ب ق ا منا كوخي خ و ا ل إ ب ตีละหรือว่าอิปตาละนะครับจะแปลว่าการทดสอบพอละการลูกหานแล้วเมื่ออัลลอฮ์ได้ทดสอบอิบราฮิมด้วยกับคําพูดต่างๆอย่างที่เราทราบบททดสอบของนบีก็คือัมื่อพระองค์สั่งใช้ก็คือด้วยกับคําพูดของอัลลอฮ์สั่งใช้อนุกลาจ้าไปทิ้งซะสั่งใช้ให้เชิดลูกเจ้าซะสั่งใช้ต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้นบีอิบราฮิามซึกงนบีก็สอบผ่านหมดเลยเมื่อสอบผ่านหมดท่านนบีอิบราฮิมก็ค่ควรจะรับความรักที่แท้จริงของอัลลอฮ์ฟาตัมมะฮุนเน่ พอเรบอกว่าเมื่อเราทดสอบอิบราฮิมด้วยกับคําพูดต่างๆของพระองค์เขาคืออิบราฮิมก็ได้ทํามันอย่างสมบูรณ์ก็ได้อินนีจายดุการินเนซซีอีมามาพอเราบอกว่าข้าได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้นําของมนุษยชาติเป็นคนดีเป็นนบีเป็นรอซูลเป็นอาบุลอัมบิยะเป็นพ่อของบรรดาห น, นบีต่างๆอีกต่างหาก เมื่อท่านอบีอิบราฮิมได้ยินครับท่านอบีอิบราฮิมเป็นห่วงลูกหลานยังไงท่านก็รักลูกหลานว่ามินซูรียะตีท่านอบดุบียอิบราฮิมบอกว่ายาวแล้วพงอะให้ฉันเป็นผู้นําของเวลาผู้ศรัทธาแล้วลูกหลานของฉันจะได้ด้วยไหมเป็นน้องคนคุณไหมครับเวลาดูอาที่เราขอเราจะขออัลลอฮ์โปรดให้เราเป็นผู้นำแก่เวลาผู้ที่ศรัทธานิบิริมก็บอกว่าลูกหลานจะได้ด้วยไหม ปร่เด็นนี้ถ้ามีอะไรจะค่อยคุยเนาะเรื่องการเป็นผู้นำวอมินสุริยติกกลาลาเยนาดูอาดิโซดีมีนพรได้บอกเลยครับว่าการสืบทอดนี้จะไม่ได้แก่บรรดาผู้ที่อธรรมการสืบทอดตําแหน่งนี้จะไม่ได้แก่ผู้ที่อาธรรมเพราะตําแหน่งสูงสคือการเป็นผู้ศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่สงูงส่งแต่การเป็นผู้นําของผู้ศรัท ธ, ธาคือว่าคนที่เอาล้อมรักมากขึ้นไปอีกพกราะ้อบอกว่า มันไม่ได้ได้จากเชื้อสายนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นลูกมุสลิมไม่ใช่ว่าคุณเป็นลูกคนดีแล้วคุณจะเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณเป็นผู้ที่เลือกการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็รักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเมื่อนั้นแหละคุณสามารถเป็นอิหม่ามได้เป็นผู้นําการศรัทธาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาเป็นลูกอิหม่ามหรือเป็นลูกคนดีหรือเป็นลูกใครก็ตามแต่ว่าคุณยังเป็นคนที่อาธรรมอย่างจอเลียมอยู่ คนก็ไม่ใช่บาปที่อัลลอฮ์รักเพราะแล้ก็บอกก่นานอับดบียรบรอฮิมซึ่งในย ก, กุรานเนีครับพวกแล้วก็ยังพูดในเรื่องราวถึงคําสั่งที่อัลลอฮ์ก็สั่งใช้ท่านอบบียร์บรอฮิมทา่านอบดียรสื่อให้ทําความสะอาดบ้านก็คือมัสยิดฮารอมก็คือเราพูดในสรลอัลบาลัดบ้านแห่งนี้เมืองแห่งนี้ซึ่งก็มีมัสยิดมีกาบ้าอยู่อย่างที่เราทราบกันเพราะแล้วบอกให้ทําความสะอาดสถานที่นี้เพื่อให้คนนั้นได้มาทําการละหมาดเพื่อมาทําการยะติกา เพื่อมาทำการรุกขวะแล้วก็เพื่อมาทำการสูยุทธซึ่งอ บ, บีปุรินก็ได้ขอดุอาให้กับเมืองเมือง น, นี้หาดัลบาลัดมีความสงบมีความร่มเย็นมีความปลอดภยัยมีริสกีต่างๆนานมามากมายจนถึงวันสิ้นโลกแล้วลราก็ตอบรับดุอาของเชนน บ, บีครับผมในขณะเดียวกันครับพวกเราก็บอกว่าวาแมนกาฟารอฟอุม um uh um uh ัติอูฮกอรีนุมัตตารอตตรุอิลอาาบินนารวบิัลมัสิด ประเด็นตรงเนี่ยครับพี่น้องในช่วงท้ายเนี่ยในอายะที่หนึ่งร้อยยี่สบหกของสุรบะาการ์นเนี่ยครับพระอง์เราบอกว่าในขณะที่ใครเลือกที่เป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อพระเจ้าปฏิเสธต่อสิ่งดีงามที่อัลลอฮ์ให้ฟาอุมัดติอูฮูกอรีลันเราก็จะให้ความสะดวกสบายเขาเล็กน้อยในโลกนุญญานี้ผม ว, ว่าเป็นประเด็นที่มุสลิมเราต้องคิดกันให้มากครับ พวกเราใช้คำว่าเป็นความสะดวกสบายที่เล็กน้อยสำหรับดุญยาสำหรับสิ่งที่พู้ไปสืบสัทธาทั้งหมดได้รับโรงแรมห้าดาวโรงแรมเจ็ดดาวครอบครัวที่ดูเหมือนจะพร้อมหน้าพร้อมตาทรัพย์สินที่มหาศาลความสุขทุกอย่างที่เกินจินตนาการของพวกเราคนบุคคลทั่วไปคือเราจรินตนาการไม่ออกว่าคนที่เขาแบบเลาให้เขาในดุงยาสุดๆเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ยังไง แต่พวกล้อเรียกว่าสิ่งที่พวกล้อให้กับพวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงมัตตะกอลีลเป็นเพียงสเบียงเล็กๆน้อยๆเมื่อเลเราเดินทางเดินทางไกลๆบางทีเดินทางไกลเป็นวันๆเราอาจจะมีข้าวแค่กล่องเดียวนี่คือสเบียงเล็กน้อยพวกล้อเรียกครับผู้ที่ว่าชีวิตอยู่ในดุนยา แล้วเขาได้ทุกอย่างของดุนยาเหมือนกับเขาได้สเบียงแค่เล็กน้อยเพราะว่าสเบียงที่แท้จริงมันต้องทำให้เขาไปถึงวันกิยามะในสภาพที่ปลอดภัยแต่เมื่อเขาเลือกจบอยู่แค่ดุนยาสเบียงเหล่านั้นมันไม่เพียงพอสำหรับเขาแล้วมันก็เป็นความสุขที่เหื่ดแห้งถึงเวลาโลกหน้าเขาจำไม่ได้แล้วความสุขนี้ คับพี่นักธิรัตอันนคือคำว่าอิปตาลาก็คือการทดสอบอีกคำหนึ่งที่ว่าบ้านเรามักจะสับสนบ้านเราชอบใช้คาว่าบาลอบาลอแล้วบางทีไม่แน่ใจว่าบาลอกับบาลาคือคําเดียวกันหรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนกันเอามาจากภาษามาลายูภาษาอุต ด, ดูภาษารผมผมไม่รู้จริงๆคือพยายามหาก็าหาไม่ได้ว่าต้นต่อการเอาคําว่าบาลอมาใช้เนี่ยในความหมายว่าการลงโทษเนี่ยเอามาจากไหนผม ผมไม่รู้ถ้าเกิดถ้าใดมีความรู้ก็ช่วยช่วยบอกมาด้วยนะครับผมคาว่าบาร์เะเนี่ยบาร์เราะในภาษาหลับไม่มีบารอนีถ้าบาราอิปตาลาบาราแปลว่าทดสอบย้ํานะครับคําว่าบาราแปลว่าทดสอบคําว่าบาร์ะไม่มีข้อบารอในภาษาหลับบาร์เราะคำว่าบาร์เราะเนี่ยแปลว่าการแสดงว่าการตัดความขออาครับการตัดขาดความสัมพันธ์ใดๆที่มีต่อกัน คือบอกว่าฉันไม่มีความยุ่งเกี่ยวอะไรกับเธอแล้วไม่มีพันธะอะไรกับเธอแล้วอันนั้นเรียกว่าบราร์รซึ่งบราร์รเนี่ยครับอยู่ในอายะคุรานอิสลดัดเตาบาที่พวกเราทราบกันว่าไม่มีการกล่าวถึงบิสมิลลาใครมีคนถามว่าทําไมไม่มีการการ ล, ล่าวบิสมิลลาในอิสลัดเตาบาแล้วก็บอกว่าข้ท่านอับลเบบบอกไม่แบบนี้ท่านอบดอ่านแบบนี้เราก็ตามท่านอับดุลเบบมัสลัมอวยอัส ล, สลมัมซึ่ ง, งฮิกมะ ก, ก็ เาไม่ลงลึกตรงนั้นเพราะเดี๋ยวเวลามันจะกินเวลาตรงนั้นไปนเยอะนะครับนยัก่อนิตาบากเราว่าบรออะตุมนอัลลอฮิวารลฮิอิล um ัลลนะัดตุ um มินอัลมุชิกนฟะซฟิล้อร์าะฮรวะลามอันนมกรมอติซิลลาห์พะว่ากนิตาบาอบรออะตุหลังจากที่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับในช่วงหลังจากการอพยพ ก, ก็คือมีการทาสงครามระหว่างมุสลิมกับบรรดา ม, มุชลิกหลายครั้ง แล้วหลังจากนั้นครับก็มีการทันสองสัที่สัญญาซุลฮัลฮอดัยบียะสัญที่สัญญาสงบศึกในสถานที่ที่ชื่อสุลฮัลฮอดัยบียะซึ่งในภายหลังก็คือเป็นสนัญทสัญญาที่เหมือนกับมุสลิมจะเสียเปรียบมากมายซึ่งคงจะได้คุยกันคอร์สวันพุทธนะครับผมในการทำสนญทสัญญาเนี่ยบรราผู้ไปเสียศรัทธาเนี่ยหักหลังครั้งแล้วครั้งเล่าพวกยูก็หักหลังครั้งแล้วครั้งเล่าเจงท่าว่าเมื่อทัลบีมุสลิมของอะไัที่ว่าสลลามสามารถพิชิตนครมักกาได้แล้ว ในฮัจจ th th ut so cool ์วะนะฮัจครั้งสุดท้ายที่ท่านอับดุลลาฮ์มุสลิมได้ทำฮัจจ์ลงแล้วก็ประทานในสุลักของเตาบ้ามาว่าบารออะตุมินัลลอฮ์ว่าเราสู่ดิอัลลอฮ์และราสู่นั้นไม่มีความเกี่ยวพันใดๆอีกแล้วกับพันธสัญญาที่เคยมีข้อตกลงสงบศึกกับบรรดาพวกผู้ที่ตั้งภารีต่อว่าก็คือถือว่าด้วยกับการที่พวกเขาหักหลังมาตลอดด้วยกับการที่เขาเป็นคนชั่วร้ายมาตลอดเอาล็อประกาศเลยว่าตอนนี้ไม่มีพันธสัญญาใดๆแล้ว พวกเราบอกให้เวลาสี่เดือนหลังจากนั้นทางเลือกของเขาก็คือเป็นผู้สัทธาหรือไม่ัก็อยู่ในกรณีของกลุ่มคู่ที่แบบว่าจะไม่ทําร้ายอะไรกันอีกซึ่งประเด็นในเรื่องของตรงจุดเนี่ยครับถ้าถึงเวลาจะได้คุยถ้าเกิดได้คุยในส่วนของซุลรอต์เตาบาแต่ประเด็นก็คือคาว่าบารอประเด็นที่อยากจะคุยก็คือเป็นการบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆแล้วถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายก็เหมือนกับ พ่อบอกกับลูกว่าตัดพ่อตัดลูกขาดพ่อขาดลูกคือไม่ต้องมาดูดำดูดีไม่ต้องมาฝังศพกันไม่ต้องมาระมาดให้กันประมาณนั้นนี่คือคำว่าบารรออ่ะซึ่งมันไม่ใช่แปลว่าการลงโทษซึ่งอย่างที่ผมบอกผมผมไม่รู้จริงๆว่าต้นตอของคําว่าบาร์รอที่มาเนี่ยมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ครับผมเดี๋ยวทีนี้ครับคําที่แปลว่าการลงโทษเนี่ยใช้คําว่าอาดัป อัลอยดับคือการลงโทษเลยอันนี้ตรงตัวในอกุรอานครับว่าอัลมัลีนะฟัสอบูฟะมะวะฮุมุนนารุลเลมอาราดูอัยฮรุจูมินฮอูอิดูฟีแวะ ي ل لهم ذوکو عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا ن ذ ي ق ه ُ من العذاب ا ل أ د ن ا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجون พอเราเข้าในอัลกุรอานครับในเรื่องของการลงโทษนะครับใน อายะที่20ถึงอายะที่27สุรสัจนะครับว่าแล้วเมื่อบรรดาผู้ที่เขาฝ่าฝืนแล้วเหรอทำสิ่งที่ชั่วร้ายทําสิ่งที่เป็นชีริกฟามะวาฮุมุนาน่าที่อำนาจของพวกเขาเหล่านั้นก็คือไฟนรกกุลและมาอารอดูอายะครูจูมิห์ฮาอูอยูฟีฮานอุซบินละเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นอยากจะออกไปจากไฟนรกนั้นเขาจะต้องถูกลากกลับมาที่เดิมวกกลมออุมูู ก็จะมีการพูดกับพวกเขาเหล่านั้นว่าจงลิมรสชาติการลงโทษแห่งไฟนรกที่พวกเจ้าทั้งหลายบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โกหกเถอดก็คคอเตรียมรอเลยเตรียมรอเลยว่าจะเป็นยังไงวาเลนูซีกันนุมมินาลอแซฟอัดอาดนาแล้วเราจะให้เขาได้ลิมรถการลงโทษเล็กๆ ก, ก่อนที่จะไปถึงการลงโทษใหญ่ๆ ห, หวังว่าพวกเขานั้นจะกลับเนื้อกลับตัวสุบานเรานี่คือความเมตตาของเรา แปว่ระองาบอกว่าในดุนยาพอเราก็จะเริ่มลงโทษแล้วแต่เป็นการลงโทษเพื่อให้คิดได้ผมก็ได้บอกกับพี่น้องเขาว่ามันจะเป็นการลงโทษหรือเป็นบททดสอบก็ตามสำหรับมุสลิมเราอัลัมเดล่าถ้าเราคิดได้ถ้าเรามีสติสิ่งที่เราทำไม่ว่าเป็นบททดสอบหรือการลงโทษที่มาจากอัลลอฮ์เราจะพูดว่าอัสซัคลุลลอห์อะตูบุไลฉันขอความขอการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์และฉันก็ขอกับเนื้อกับตัวสูงพระองค์ครับถ้าเกิดเราจะพูดถึง บททดสอบกับการลงโทษถ้าจะจําแนกให้ชัดเจนบททดสอบกับการลงโทษนั้นแบ่งออกได้เป็นสี่อย่างด้วยกันถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าสิ่งที่ชั้นกำลังเจอตอนนี้มันเป็นบททดสอบหรือมันเป็นการลงโทษจากอารม์ซึ่งเราย้ำแล้วนะครับผมย้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นบททดสอบหรือเป็นการลงโทษมันคือความรักที่มาจากอาร์ตอนนี้ถ้าเราอยากจะแยกให้มันชัดเจน อะไรก็ตามที่มันมาประสบกับเราที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการสูญเสียเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นไปได้สี่อย่างเป็นไปได้สี่อย่างถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องมั่นใจว่าพี่น้องไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเราพยายามทําตนเป็นบาสที่ดีที่สุดแล้วเราคิดเราก็คิดไม่ออกจริงๆคิดอย่างคิดไม่ออกแล้วแต่ทําไมบททสอบมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น ยกตัวอย่างเหมือนทาหญิมัตยำศรัทธาต่อล้ออยู่แต่ในมสัสยิดทําแต่สิ่งที่ดีผลสุดท้ายเจอฟิตนาห์นางต้องตั้งคันเดี๋ยที่ไม่มีพ่ออย่างแบบเนี้ยครับคือเรามั่นใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราทําตัวเป็นบ่าวของล้อรักษาคารมาจ่ายอากาศรักษาเครือญาติเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทําหน้าที่อามานาที่ดีของครอบครัวแล้วเจอแต่บททดสอบหนักๆขอให้รู้ว่าอันนั้นแหละเรียกว่าบททดสอบเพราะจากคดีที่ท่านอับดุลลอฮ์ของอะลัยสลามบอกว่าไงครับ การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นมันจะมากับบททดสอบที่หนักหน่วงเมื่อเอาล้อรักกลุ่มชนใดพวกเร า, าจะทดสอบคนกลุ่มนั้นใครก็ตามที่เขาพึงพอใจในการทดสอบมอเตอร์ล้ออัลลอฮ์ก็พอใจเขาใครก็ตามที่โกรธเคืองมอเตอร์ล้อในบททดสอบนั้นอลัลลอฮ์ก็จะโกรธเคืองโกรธขียวกับเขาไปด้วยนี่คือในบบลีคอยบารตียบไม่ดีนั้นก็แปลว่าถ้าเราคิดเองเราคิดไม่ออกว่าเราทําอะไรไม่ดี แต่หน้าที่ของมุสลิมคือต้องขอเพื่อเท่ยวตลอดเวลานะครับใช้หลักขี้นยก็ขีไม่ออกว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปแต่ว่ามันเป็นบททดสอบเพียวๆเลยเอา ล, ล็อทดสอบเราเลยเช่นเดียวกับอันที่สองครับเราไม่ได้ทํำดีอะไรเบอร์ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเจอเน่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทําความชั่วอะไรขนาดนั้นหรือว่าบางทีเราอยู่เฉยๆนะครับแบบบางคน เกิดมาอาจจะพิกลพิการบางคนเกิดมาอาจจะโดนบททดสอบต่างๆบางคนเป็นโรคตั้งแต่เกิดหรือบางคนเป็นโรคตอนไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่เราหาเหตุหาผลไม่เจออันนั้นก็เรียกว่าเป็นบททดสอบแปลว่าบททดสอบที่มั่นใจว่าเป็นบททดสอบได้มี2อย่างอย่างแรกก็คือ เราทําดีที่สุดของเราแล้วเราพยายามทําตัวเป็นบ่าวให้ล้อรักแล้วก็ยิงเงินบททดสอบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นก็แปลว่าล้อรักมากก็เลยทดสอบหนักขึ้นส่วนอันที่2เราคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราทําอะไรหรืออยู่ๆก็มีใครมาล่วงเกินเราหรือทําไม่ดีกับเราก็ขอให้รู้ว่านั่นก็เป็นบททดสอบเช่นเดียวกันก็มาจากความรักของวอร์ส่วนในกรณีที่3มครับอันอัลเลถ้าเราคิดได้ สมมติว่าบางคนอาจจะเนรคุณพ่อแม่บางคนอาจจะไปสิ่งที่ฮารอ์อลบางคนอาจจะทำสิ่งชั่วร้ายอะไรสักอย่างาาอาันละแล้วเราคิดได้แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเลยมันเกิดเรื่องไม่ดีกับเราแต่เรายังมีชีวิตเรายังมีสติอยู่ขอให้ดูว่าอันนั้นแหละเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่การลงโทษเพราะเกลียดยั้งเป็นการลงโทษเพราะรักเพราะยังให้โอกาสเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเราก็ได้กลับเนื้อกลับตัวด้วยก็เหมือนกับฮาริสที่บอกครับอินัลลอฮ เจะะ้าละวะล่าถ้าอาราดับอับดินขายนัน่งเ จ, จ้าละ อ, อุคูบะต้าห์เมื่อผล้อ่นั้นรักใครอยากให้ใครได้ดีเอลลอจะลงโทษเขาตั้งแต่ดุนยาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปเจอการลงโทษในอาเครออีกงั้นอันที่สามก็คือเป็นการลงโทษเช่นเดียวกันส่วนอันที่สี่ครับอันที่สี่นี้น่ากลัวที่สุดนะพี่น้องคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่ง ไม่ใช่กับเราแล้วนะไม่ใช่คําว่าเราแล้วนะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งแล้วทําให้เขาไม่เหลือโอกาสในดุนยาอีกแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นการลงโทษในดุนยาที่ไม่เหลือโอกาสให้กับตัวอันนั้นไม่ใช่มาจากความรักของเรามาจากความโรกรคิ้วซึ่งเราต้องขออภัยจากว่เป็นประจำว่ายาวว่าอย่ากโกรคิ้วเราจนกระทั่งว่าปิดโอกาสเตาบ้าของเราเลยแล้วเราก็ต้องพยายามอย่าไปรนหาที่ดีนะครับอันนี้เตือนด้วยความรักนะครับผม แล้วปรเด็นสําคัญที่สุดพี่น้องอะไรก็ตามที่มาประสบกับเราคิดถึงเอาล้อให้มากขอไปรู้ต่อล้อให้มากขอดูอาจากพ่อให้มากแล้วก็หวังความเมตตาจากพ่อล้อสุบภา น, นุวตาลาให้มากแล้วก็ที่สําคัญครับผมที่สําคัญพอบางท่านฟังมาถึงขนาดนี้บางท่านอาจจะคิดพี่เลนบางท่านอาจจะคิดพีเลนว่าเออท่า น, นก็อย่าละยกมือดูอาด้วยความเขร่งเลย ด้วยความกลัวล้อเลยยาวล้อฉันกลัวเลยคละล้ออยาให้ฉันถูกลงโทษในโลกหน้าเลยฉันจะลงโทษลงโทษฉันในโลกนี้เลยห้ามขอเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดย้ำนะครับย้าเด็ดขาดถึงเราจะรู้ว่าการลงโทษของพวกล้อเป็นหนึ่งในความเมตตาของละแต่ห้ามขอดุอาให้อลัลลอ์ลงโทษเราเด็ดขาดไม่ว่าจะอาคระหรือจะดุนยาเพราะอะไรครับในเรื่องของท่านอันครับ อันลักษณ์บิณฑบาติกรเราะห์ลอวะอันหูครัร้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสลลัมได้ไปเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่สบายคือไม่สบายแบบอาการแบบอ้วมสุดๆเลยท่านนบีพอไปเยี่ยมเขาพวกอัค์ละก็ให้วั่าให้ท่านนบีได้รู้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัมพอไปเยี่ยมคนที่อาการหนักคนนี้ปุ๊บท่านนบีถามว่า คุณเคยขอดุอาอะไรจากอัลลอฮ์ไว้ใช่ไหมซุพานอัลลอฮ์ผู้ที่บอกท่านอบีก็คือผู้ที่ให้บททดสอบกับคนคนนั้นท่านอบีถามว่าคุณเคยขอดุอาอะไรจากอัลลอฮ์ใช่ไหมชายคนนั้นบอกว่าใช่ครับยราระซูลอลลอฮ์ผมเคยขอดุทิว่าโอ้อัลลอฮ์หากพระ อ, องค์จะลงโทษอะไรฉันในโลกหน้าหากพระ อ, องค์จะลงโทษอะไรฉันในโลกหน้า ขอให้รีดลงโทษฉันโลกนี้แล้วก็ให้จบในโลกนี้ก็พอบางคนี่ได้ฟังปุ๊บเออมันก็เข้าท่านะก็ให้มันจบในโลกญญาก็พอฉันกลัวโลกหน้าไม่อยากเจอแต่เรามาดูว่าท่านอับดลเบียุัสุลาพูดอะไรครับท่า น, นาบาับด ล, ลีมุัมสลต่ได้พูดว่าสุบฮานลลขอสรีตอละคุณทนไม่ไหวหรอกคุณรับไม่ได้หรอกพราะการลงโทษของออลชรค์คือการลงโทษในไฟนระกถูกไหมครับ แล้วพี่น้องว่าการลงโทษที่เจ็บปวดเกินทรมานขนาดนั้นถ้าพวกเราวเอามาลงโทษในดุนยาพี่น้องคิดว่าจะมีใครทนได้เหรอทนไม่ได้หรอกท่านนบีก็บอกเองเลยว่าซุบฮานัลลอฮคุณทนไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกท่านนบีก็บอกว่าทำไมคุณไม่ขอดูอาจากอ AH ัลลอฮ์หรว่ารอบบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮัสนะว่ฟิดอาคราติฮัสนะวาคีนาอาซาบนนาร เซนนบีบอกว่าทําไมคุณไม่ขอดัวแบบนี้ล่ะถ้าเกิดคุณกลัวว่าคุณจะลงในรกโลกหน้าคุณกลัวว่าคุณจะถูกลงโทษในโลกหน้าใช่ไหมทําไมคุณไม่ขอดัวาจากที่มีในอัลกุรอาน ล, ล่ะที่ว่าโอไนของเราโลกนี้ฉันก็ขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีโลกหน้าฉันก็ขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีขอให้ฉันรอดพ้นจากไฟนรกท่านนบีเข้าใจ ติงซาวาบ้าท่านนั้นแล้วท่านอบีก็ได้ขอดว่าจากอัลลอฮ์ให้รักษาชายผู้นั้นแล้วอลัลลอฮ์ก็ได้รักษาเขาฮะดิสบุนี้อยู่ในมือของอิหมา ม, มุสลิมเพราะนั้นหมายความว่าอยังไงครับหมายความว่าย่างไรหมายความว่าตอนเนี่ยที่พวกเราต้องคิดที่พวกเราต้องคิดและหวังว่าพวกเราจะต้องระวังตัวก็คือว่าเรารู้ว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่มีความผิดบาปเรารู้ว่ามีเรามีความผิดพลาดมากมายแต่อย่ารนหาเรื่อง เพราะอย่มว่านายของเราอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่เมตตาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปานีเพราะฉะนั้นอห้ามนะครับอย่าไปขอพี่เลนขอดัอาพี่เลนบอกว่าเราถ้าจะลงโทษใช้ลงโทษให้จบไปเลยขอให้โดนตั้งแต่โลกนี้อย่าเลยถ้าจะขออะไรประมาณนั้นถ้าจะขออะไรประมาณนั้นนอกเหนือจากที่ท่านอบีบอกว่าเรบาบรรดาอัจินาฟติตุนยาฮัสซนะบอฟิดอัคราติฮัสซนะ ว, ออนาาะนะวกินาอาซาบานัดนอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติพี่น้องโดนอะไรก็ตามสมมติว่าพี่น้องบางท่านอาจจะ เป็นโรคไขข้อหรืออาจจะโดนทดสอบด้วยกับลูกหลักหมืออะไรก็ตามแต่ถ้าเ ร, ารู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินถ้าจะขอดูอาเจา้าเราก็ยาวล้อหากนี่คือบททดสอบของพระองค์ก็ฉันขอให้ฉันนั้นมีความอดทนมากพอที่จะแบกรับบททดสอบนี้ได้แล้วก็ขอพระองค์ลรักษาฉันรักษาฉันให้หายแล้วก็ฉันมีความอี إ ي م ا นมีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์อย่าลืมว่าพระองค์เป็นผู้ให้แล้ไม่มีใครห้ามได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอดูารณหาที่ ย้ำนะครับถ้าโดนทดสอบก็ขอดูอาเชาวร้อว่าร้อขอให้ฉันได้ผลบุญในการบวดทดสอบนี้แล้วขอให้ฉันได้สิ่งที่ดีกว่านี้ตอบแทนอย่าลืมว่าร้อเป็นผู้ที่เมตตาแล้วลก็เป็นผู้ที่ใจบุญครับผม <S <S okay, ครับกลับมาตะข่ายพี่น้องต่อวันนี้อาจจะคุยกันสั้นๆหน่อยนะครับผมแล้วกันชาวร้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะครับผม เมื่อกีหลังจากที่คุณพิชายาพิชายาคุณพิชายาสลามมาก็วันอุมสลามอัตุลลอฮวะบรากาตุนะครับแล้วก็คุณซาะบอกสลามนทวันสิบภาพเสียงชัดเจนบรารักอัลลอฮฟีกุ่มครับผมคุณพิจักสลา ม, มาก็วันอุมลสลามอลตลอวะบรากาตุเช่นเดียวกับคุณศักดครับก็วัุมสลามอัลตุลลอฮฺวะบรากาตุนะครับผมแล้วก็มาดูอีกที่หนึ่งนะครับก็คุณ ซาระอครับ right ผมบอกว่าทำได้แล้วก็มาชาโรครับผมคุณยาวรีสลามา <oid brow and mercy> <s LP coaching> สัตุลชจีนวายคุณสลามุตุลอหบเรคาตุคุณยะสลามาก็อวยคุณสลามุลลอห์บเราตุคุณท่านองศักนะครับสลามาก็อวยุณสลามุตุลลอห์อ่บอเบรคาตุนะครับผมส่วนคุณหนึ่งพึ่งพิงใหญ่นะครับก็ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงนะครับผมก็ขอร้อยทางนาครับผมอ่คุณลักษณะหรืวิชาการสลามสลามาก็อวยคุณสลามุตุลลอห์บเรกาตุล้ก็คุณ หมอเจอมีแล้วกันนะครับสลา玛ก็ไวุณสลามา ต, ลาตุลอบัวบรกาตุครับผมสรุปที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่น้องที่รักครับหนึ่งในสัญญาณที่แสดงว่าพอลัสสุภานงควตาละรักเรารักเราชัวร์เลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบ เจอบททดสอบเจอการสูญเสียนั่นแสดงว่าพ่อล้อรักเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเราทําตัวไม่ดีเลยทําตัวไม่คู่ควรกับความรักของล้อเลยแต่ได้แต่สิ่งที่ดีจากอันล้อเมื่อ น, นั้นเราต้องระาวาังแล้วเมื่อ น, นั้นต้องกลัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตยังมีความยากลําบากอยู่ถ้าชีวิตยังมีความเดือดร้อนอยู่ถ้าชีวิตยังมีความเหนื่อยอยู่ยังมีความเพียรยังมีความเศร้ายังมีความท้อแท้ขอให้รือว่าเอาล้อยังรักพวกเราอยู่แล้วก็ย้ําว่า อยา่ยาอย่าอย่าเด็ดขาดเลยห้ามขอดูอาอะไรที่ว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเราหรือคนอื่นอย่าไปขอดูอาว่าอัลลอฮ์ถ้าเราจะลงโทษฉันลงโทษมาเลยอยา่าห้ามขออย่างนี้เด็ดขาดย้ำห้ามขอเด็ดขาดถ้าเจอใครได้ยินใครที่เขาพูดแบบนี้หรือถ้าพี่น้องเจอใครที่เขามองอัลลอฮ์ผิดใครที่เขาบอกเนี่ยอัลลอฮ์นี่ฉันคงชั่วมากเลยใช่ไหมฉันคงเลวมากเลยใช่ไหมอัลลอฮ์นี่ลงโทษฉันขอให้เราไปปลอบใจเขา ให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกให้ดูว่านี่คือความรักของอัลลอฮ์เพราะทุกการสูญเสียทุกความเหนื่อยยากทุกความท้อแท้ทุกความที่รู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มีที่มันมาเจอกับเราเนี่ยขอให้รูว่านั่นคือการลบล้างบาปของเรานั่นคือการยกฐานะของเรานั่นคือการยกระดับเราและนั่นคือความรักความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาครับก็เหมือนกับที่คุณฮามิดะบอกนะครับว่าต้องอดทนและต้องมุ่หมายต่อวะเพราะนั่นคือ ควาเป็นมุสลิมจริงๆครับผมแต่ในเรื่องของความอดทนนะครับมีประเด็นที่อยากจะตีนิดนึงความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่งดงามแต่ว่าบางครั้งมีเหมือนกันนะครับที่ว่าการอดทนนั้นกลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ทุกการอดทนเป็นสิ่งที่สวยงามส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดมีศรัทธาต่อว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่มีบางกรณีที่ว่าความอดทนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีซึ่งอินชาวล้อคงจะได้พูดคุยกันในช่วงคอสชีวิตครอบครัวสุขสันต์ครับผมสำหรับคุณวีรศักดิ์ที่สละมาก็ไว้ละมุสลามอววัลลอฮ์อัลลอฮ์กรตุ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอมาเท่นครับอาจจะพูดคุยกันลวกรัดสนิดนึงแต่ก็หวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับสาระแล้วก็ขออวจากพอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าคนเดียวของเราผู้ที่เรานั้นยืนยันแก่กิมาชาติได้ว่าพราะไม่มีพระเจ้าใลนอกจากองค์ผู้เป็นที่พึ่งอย่าง แท้จริงผู well. ้ที่ว่าไม่ได้ขอดใครแล้วก็ไม่ได้ถูกครอบมาเราขอดีวยวจากพวกลอสปานูวตาแล้วนั้นขอให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันได้ขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้เรานั้นมีความสามารถที่จะยึดมันได้ขอให้เรานั้นมีความรักใครสมักสมันสมักขี กับบุคคลที่อัลลอฮ์รักขอยเรานั้นมีความรักกับการงานใดก็ตามที่ทําแล้วจะทําให้อัลลอฮ์รักเราแล้วก็ขอให้เรานั้นมีความรักต่อผวววู้อัลลอฮฺสุบานุอัจจาระแล้วก็ขอให้เรานั้นได้รับความรักที่แท้จริงที่ไม่มีวันจะสูญสลายจากผู้อัลลอฮฺสุบานุอัจจาละในขณะเดียวกันเราก็ขอด้วยใจ<ะ>เลาว่าโอ้พวกบานของเราอูนัยของเราป่วจะได้ปล่อยทิ้งคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกเราที่ว่าเขานั้นเป็นคนป่วยไข้นอกจากยาวล้อช่วยรักษายายาเขา รักษาเยียวยาให้ไม่ลงเหลือโรคภัยไข้เจ็บใดๆกับเขาอีกเลยแล้วก็โปวดจะได้ปล่อยทิ้งใครก็ตามที่มีนิสัยในหมู่ของพวกเราที่เขามีความพยายามมีความปรารถนาที่จะปวดเปิ้อนนิสัยยาล้อโปวดอย่าปล่อยเขาไปนอกจากพวกนั้นจะช่วยเหลือให้เขานั้นรอดพ้นจากความลําบากจากฟิตรแล้รอดพ้นจากนิสัยตรงนั้นแล้วก็ใครก็ตามที่มีความทุกข์เศร้าชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็หลายครั้งในจังหวะชีวิตที่เราจะรู้สึกเป๋อาจจะรู้สึกเสียสูญยาล้อปวดให้ความมั่นคงกับเท้าของเราให้เรายินยันกับการปาีติ ดีของพรองค์ขอให้ความโุกเศร้านั้นมันหายไปจากใจของเราขอให้เรานั้นมีความอดทนที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในสภาพบาปของพระองค์แล้วก็เช่นเดียวกันครับใครก็ตามที่ว่าเกิดการสูญเสียายาวแล้วปวดหัวปอดปรุงให้กับใจของเขาแล้วก็ปวดให้ผลบุญแก่พวกเขาแล้วก็ปวดให้สิ่งที่ดี กว่านั้นแก่พวกเข า, ยาอย่รารับบท ใ, ให้เรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีในโลกดุนยากขอให้เรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีในโลกดุนยาแล้วก็สิ่งที่ดีในโลกอาทรัลแล้วก็ขอให้พวกเัานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษทั้งในหลุมฟังศพแล้วก็ในไฟนรกด้วยเถิดเพราะการลงโทษของร้อนนั้นเป็นการลงโทษที่เกินจินตนาการอย่าล้อนเรานั้นรักอง ขอพวงร้อนนั้นให้ไปทษต่อคนดีๆที่มาก่อนหน้าพวกเราที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ขอให้พวงนั้นให้ใหอภไปทอดต่อเราแล้วก็ขอให้เรานั้นมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับคนดีๆเหล่านั้นแล้วก็ขอให้คําพูดที่เราได้ยินเป็นคำพูดสุดท้ายขอให้คําพูดที่เราได้ยินเป็นคําพูดสุดท้ายก่อนที่เราจะเสียชีวิตคือคําพูดที่บอกว่ากลับไปหาผู้ที่รักเจ้าแร้วเจ้าก็รักเขาเถิดแล้วก็เช่นเดียวกันขอให้คําพูดสุดท้ายของเราที่เราได้พูดั้เป็นคําพูดกคำอัลลอฮฺ คือการที่เราได้ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากองค์ขอให้เรามีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมที่ทำตนเป็นบาที่อัลลอฮ์รักแล้วก็ขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ศรัทธาด้วยเถิอาเมนครับาะกลุกาีฮวสกุลฮิละกุมวลิาลมุสลิมีน่ามิ่นคนละมาสักลุลินุบุลกฟูรฮมซุฮานตุลลมะวิฮัมดิกะอัฮ์ฮ์วัลลาอิลาอิลนตะอัสับวะตูบลัยอัสลามุอะลัยกุมวะมุลลอฮวะบรก